ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงที่คำว่าไม่ที่มากับคำว่าพอพอไม่กับพอมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นไม่พอพอไม่พอก็เลยเกิดปัญหากันต้องไปหามาให้พอมีแสนหนึ่งไม่พอก็ต้องมาหาอีกแสนหนึ่ง พอมีอีกแสนก็ไม่พออีกเขต้องหาอีกแสนหนึ่งพอได้ล้านก็ไม่พออีกถ้ามีคําว่าไมอ่อยู่หน้าตัวพอแล้วมันไม่มีมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่อยๆปัญหาของพวกเราอยู่ที่ตัวไม่นี้เองถ้าเราลบตัวไม่ออกได้ปัญหาก็หมดไปถ้าไม่มีคําว่าไม่อยู่ข้างหน้า ลกคำว่าพอมันก็เหลือแต่คำว่าพอคาเดียวพอเหลือแต่คำว่าพอทุกอย่างก็จบพอแล้วก็ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความสุขนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จักรลบคำว่าไม่กันถ้าลบคำว่าไม่ออกจากคำว่าไม่พอได้ ก็จะเหลือคำว่าพ อ, อพอพอมันพอแล้วมันก็จบคนที่พอแล้วก็ไม่ต้องไปมีอะไรไม่ต้องการได้อะไรอพอมีหมดแล้วพอแล้ว ม, มีเท่าไหร่ก็พ อ, อพอใจกับสิ่งทีม่มีนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่คำว่าพอ และวิธีที่จะทำให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงได้คำว่าพอเราก็ต้องไปลบลบคำว่าไม่ออกไปอย่าให้มีคำว่าไม่อยู่ข้างหน้าคำว่าพอพ อ, อถ้ามีคำว่าไม่อยู่ข้างหน้าคำว่าพอมันก็เกิดความไม่พอขึ้นมาพ อ, อไม่พอมันก็ต้องดินหลอนหา เวลาหาอะไรมันก็มักจะมีปัญหาตามมาหาอะไรก็ต้องมีอุปสรรคขวางกันเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ตกลงมาจากฟ้าเหมือนน้ำฝนเป็นสิ่งที่เราจะต้องออสรรหากันออกว่าจะได้กันมาก็เน็ดเน่อยเมื่อยล้าเช่นเงินทอง อยากจะได้เงินได้ทองอยู่ดีๆมันไม่มามันต้องหากันต้องทำงานต้องทำเงินต้องหาเงินหาทองถึงจะได้เงินทองมาถ้ากว่าจะได้มาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องแก้ปัญหาแก้อุปสรรคต่างๆที่กีดขวาง การที่เราจะได้สิ่งที่เราต้องการมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองก็ดีไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตำแหน่งก็ดีไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองก็ดีเห็นไหมแข่งขันกันการจะได้เหรียญทองมานี่เหน็ดเหนื่อยจะต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้อยู่หลายรอบด้วยกัน กว่าจะเข้าไปรอบชิงเหรียญทองได้นี่คือปัญหาของพวกเราเราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ไม่ให้มีปัญหาวิธีที่จะทำให้ไม่มีปัญหาก็ต้องลบคำว่าไม่ออกไปตัวปัญหาก็คือตัวไม่นี้เอง ถ้าเราสามารถหาอย่างลบมาลบมันออกไปได้ให้มันเหลือแต่คำว่าพอเราก็จะสบายเพราะคนที่พอแล้วจะไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรไม่ต้องไปสแสวงหาเงินหาทองไม่ต้องไปสแสวงหายศยศตหาตำแหน่งไม่ต้องไปสแสวงหาร <c> า <oughs> งวัลต่างๆเหรียญทองต่างๆ ไม่ต้องไปสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาสัมผัสนะคนที่พอนี้คือใครก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่ไม่เหมือนพวกเราพวกเรามีคำว่าไม่อยู่ข้างหน้าคำว่าพอ แต่พวกพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสารุกท่านลบคำว่าไม่ออกไปเหลือแต่คำว่าพอพอท่านลบคำว่าไม่ออกไปใจก็มีแต่ความพอพอใจพออพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่ท่านไม่แสวงหากงรับสมบัติเข้าของเงินทอง ท่านไม่ต้องแสวงหายศหาตตำแหน่งท่านไม่ต้องแสวงหาเหรียญทองต่างๆท่านไม่ต้องแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอใจท่านพอคำว่าพอก็คืออิ่มนั่นเองคำว่าอิ่มกับคำว่าพอนี่ก็คือความหมายอยาเดียวกันเวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วเรายังจะกินอีกเขา่า อิ่มแล้วก็พอไม่อยากกินนี่คือปัญหาของพวกเราทุกคนสรุปลงง่ายๆอยู่ที่คำว่าไม่นี่เองถ้ายังมีคำว่าไม่อยู่ข้างหน้าคำว่าพออยู่มันก็จะไม่พอเมื่อมันไม่พอมันก็ต้องหาหาลาบหายด หาเหลีนทองหาสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วหาได้เท่าไหร่มันก็ยังไม่พออยู่นั่นเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าหามาได้มากหรือหามาได้น้อยหามาได้น้อยก็ไม่พอหามาได้มากก็ไม่พอเพราะว่าคำว่าไม่มันยังไม่ได้ถูกลบออกจากการ ที่เราหาสิ่งต่างๆมาได้นั่นเองหาเงินมาได้แสนหนึ่งมันก็ยังไม่พออยู่หามาได้ล้านหนึ่งมันก็ยังไม่พออยู่ได้ตําแหน่งอะไรมามันก็ยังไม่พออยู่เพราะว่าเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ตัวที่ตัวไม้นี่เองถ้าเราไปแก้ที่ตัวไม่ไปลบมันออกจากใจเรา อย่าให้มันมาอยู่ข้างหน้าตัวพอใจของเราก็จะพอตลอดเวลาแอ่เราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นเราไม่ได้ไปลบไอ้ตัวไม่ออกจากใจเราไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่จะทำให้เราพอกันเราก็ไปหาลาบกันหาเงินหาทองกันหาตำแหน่งต่างๆหารางวัลต่างๆ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราหากันมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เราพอหรื อ, อยังเราลบคำว่าไม่ออกไปจากใจได้หรื อ, อยังลบคำว่าไม่ที่มากับคำว่าพอได้หรือเปล่า ไม่ได้แล้ว เ, เราลบไม่ได้เพราะมันนี่ไม่ใช่วิธีลบคําว่าไม่จากคําว่าไม่พอวิธีที่จะลบนี้จะต้องทําแบบพระพุทธเจ้าทําแบบพระอริยสงสารบอกนะท่านลบคําว่าไม่ออกจากใจของท่านนะด้วยการไปปฏิบัติธรรมนะต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้น ถึงจะทำให้คำว่าไม่หายไปลบคำว่าไม่ออกไปจากใจให้เหลือแต่คำว่าพอพอมีความพอมันก็อิ่มมันก็สุขมันก็สบายถ้ายังมีความไม่พออยู่มันก็หิวมันก็อยากมันก็ต้องการมันก็ดด้นรนแล้วพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เสียใจ หรือได้สิ่งที่ได้มาเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เสียใจเวลามีสิ่งที่ได้มาก็มีวิความวิตกกังวลกลัวว่ามันจะเสียกลัวว่ามันจะจากเราไปวิธีแก้ปัญหาของพวกเราไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการเพิ่มปัญหา ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการไปหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจของเราเพื่อเพอเพื่อจะให้ใจของเราพอรับรองได้ว่าหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่มีวันพอมันจะไม่พออยู่เรื่อยๆเพราะว่าคำว่าพอนี้มันจะต้องเกิดจากการ ลบคำว่าไม่ออกไปถ้าเราลบคำว่าไม่ออกไปแล้วคำว่าพอมันก็จะเกิดขึ้นวิธีที่จะลบคำว่าไม่ก็ต้องทำแบบพระพุทธเจ้านี่ทำแบบพระอาริยสงสารวกเราต้องไปทำใจให้สงบกันนั่นเองการปฏิบัติทมการไปบวช ไปเพื่อไปทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วคำว่าไม่มันจะหายไปหรือแต่คำว่าพอใจจะมีความอิ่มมีความพอมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมียศมีตำแหน่ง ไม่ต้องมีการสรรเสริญเยินยอไม่ต้องมีรางวีร่รางวัลไม่ต้องมีเหรียญทองไม่ต้องมีรูปเสียงกีย่นรยเยันไม่ต้องมีภาพยนตรน์ละครไม่ต้องมีเสียงเพลงไม่ต้องมีอะไรต่างๆอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ใ น, นในบ้านเรานี่มีอะไรกันมากมาย มีอะไรต่างๆที่มาตอบสนองความไม่พอของพวกเราแต่มีมากมีน้อยมันก็ยังไม่พออยู่นั่นมีในบ้านไม่พอก็ต้องออกมาหานอกบ้านไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามศูนย์การค้าไปตามศูนย์อาหารศูนย์อาหารศูนย์เครื่องดื่ม เพื่อไปหาสิ่งต่างๆที่จะมาทำให้ใจเราพอกันแต่หามาได้มากน้อยเพียงไรคำว่าไม่พอมันก็ไม่หายไปสัทีมันก็ยังอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยู่ให้เรื่อยได้มาเท่าไหร่ก็อยากจะได้มากขึ้นไปได้คืบก็อยากจะได้ซอก ย้ายได้สอก็อยากจะได้วาความอยากมันเกิดจากความไม่พอความไม่พอเกิดจากการที่เราไม่ไปลบคำว่าไม่ออกไปจากคำว่าไม่พอเท่านั้นเองต้องหาอย่างลบกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบอย่างลบที่จะมาลบคำว่าไม่ออกจากคำว่าไม่พอ คำว่าไม่มันอยู่ในใจของเราคำว่าไม่พอมันอยู่ในใจของเราเราต้องเข้าไปลบคำว่าไม่วิธีลบก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบอย่างลบที่จะมาลบคำว่าไม่ออกจากคำว่าไม่พอ พอลกคำว่าไม่ออกไปแล้วก็จะเหลือคำว่าพอคำเดียวเนี่ยคำนี้วิเศษที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่ต้องไปกราบพระที่ไหนวัดไหนก็ตามไปกราบมาเก้า ว, วัดมันก็ยังไม่พอคำว่าไม่มันก็ยังไม่หายจากคำว่าไม่พออยู่ดีสมัยนี้นิยมไปกราบพะระเก้า ว, วัดกันใช่ไหโดยที่ไม่รู้ว่าไปกราบเพื่ออะไรกัน ที่ไปกราบแล้วเราจะพอไม่พอหรอกกราบแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับไปกราบอีกเก้าวัดนี่กราบมากี่วัดแล้วเนี่ยถามจริงๆพวกที่ไปกราบพระตามวัดต่างๆกราบมากี่วัดไอ้คําว่าไม่พอคําว่าอยากมันก็ยังไม่หายไปจากใจคําว่าไม่นี่มันต้องลบมันด้วย วิธีของพระพุทธเจ้าการที่การไปกราบพระนี้เพื่อไปเรียนวิธีลบคําว่าไม่ออกจากคําว่าพอจากคําว่าไม่พ อ, อแต่เราไม่เข้าใจกันเราคิดว่าการไปกับพระเพื่อไปขอให้สิ่งต่างๆที่เราไม่พอให้เราได้มาเพื่อเราจะได้พอกันแต่มันไม่พอจากการที่เราได้สิ่งต่างๆมา ได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็อยากขึ้นใหม่เดี๋ยวก็อยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกถ้าพอก็พอเดี๋ยวเดียวพอชั่วคราวแต่พอแบบถาวรนี้ยังไม่มีวันเกิดขึ้นได้จากการไปกาบพระเก้ า, าวัดเก้าสิบวัดเก้าสิบเก้าวัดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวัดหรือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวัดกาบไปเท่าไหร่ มันก็ไม่เป็นคำว่าพอเกิดขึ้นมาได้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแทนที่อยากได้ต้องต้องเปลี่ยนมาเป็นอยากให้แทนแทนที่อยากจะได้ข้าวของเงินทองต้องเปลี่ยนมาเป็นอยากจะให้ข้าวของเงินทองแทนอย่างนี้แล้ว พอให้แล้วต่อไปความอยากได้มันจะหายไปความไม่พอมันจะหายไปในระดับแรกพระพุทธเจ้าสอนเราขั้นแรกให้เราเอาลดความอยากได้สิ่งต่างๆลงด้วยการให้สิ่งต่างๆที่เรามีที่เราไม่ต้องใช้เรามีของเหลือกินเหลือใช้อยู่เยอะเนี่ย ท่านบอกว่าเอาไปให้ดีกว่าเพราะถ้าเราไม่ให้ความอยากได้มันจะมาอยู่เรื่อยๆมันทำให้เข้าของบ้านเราเต็มไปหมดเต็มเพราะความอยากได้เพราะได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอนั่นเองถ้าเราอยากจะให้คำว่าไม่พอหายไปหรือคำว่าพอ เราเอาของต่างๆที่เราไม่ใช้ไปให้ดูมีลองสำรวจดูในบ้านเราตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราไม่ใช้เก็บไว้เฉยๆลองเอาไปบริจาคดูเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แขวนไว้อยู่ในตู้มีกี่ชุดถ้าไม่ได้ใช้มันหกเดือนนี่ก็ถือว่ามันไม่ได้ใช้มันแล้วอ่ะเก็บไว้ก็เกะกะเปล่า เราเอาไปให้ดูพอให้เสื้อผ้าไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่อยากได้เสื้อผ้าเพราะว่ามันพอใช้อยู่แล้วไงเสื้อผ้าที่เราไม่อยู่มันพอใช้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเสื้อผ้าใหม่มาทำไมเอามาก็ไม่ได้ใช้นะเอามาก็เก็บไว้ในตู้เห็นมันสวยก็อยากได้เท่านั้นเอง แต่ได้แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้ซื้อมาแล้วก็แขวนเก็บไว้ในตู้เพราะเสื้อผ้าที่เรามีอยู่มันพอใช้อยู่แล้วต่อไปเราก็จะไมเ่เราก็จะพอกับการกับพวกเสื้อผ้าต่างๆถ้าไม่พอเราถึงจะซื้อมันมาแต่ถ้ามันพอใช้แล้วเราก็ไม่ต้องซื้อมันมา อย่างพระเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้แค่สามสามผืนก็พอหนึ่งสำลับหรือหนึ่งชุดนะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันก็หนึ่งสูตรสมัยนี้ก็มีสูตรให้ใส่ ม, ม, มีเสื้อมีกางเกงมีเสื้อเสื้อในเสื้อนอกอมีที่ผูกที่ผูกคอเรียกว่าเนคไทนี่ก็ครบหนึ่งสูตรละ มีกางเกงมีเสื้อนอกมีเสื้อในมีเอนคไทผูกค อ, อนี่ก็เรียกว่าหนึ่งสูตรเนี่ยใส่สูตรสูตรของผ้าก็มีอยู่สามผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วผ้าห่มกันหนาวอกีกหนึ่งผืนช่วงฤดูห น, นาวๆก็ห่มซ้อนสองผืนไปเลยเอจะได้ไม่หนาวมากเยนี่คือ เครื่องนุ่งห่มของพระของพระพุทธเจ้าพอท่านมีพอแล้วท่านก็ไม่มีมากไปกว่า น, นั้นท่านถือผ้าสามผืนนี่คือความพอถ้าพอใช้แล้วก็ไม่มีมากไปกว่า น, นั้นไม่รู้จะเอาไปทำไมเกะกะเปล่าๆยิ่งสมัยก่อนพระเป็นพระทุดอะ พระไม่เคยอยู่กับวัดกับที่เท่าไหร่พระท่านจะเดินป่าไปอยู่ตามจุดต่างๆตามป่าตามเขาถ้ามีเสื้อพระมีจีวรสักสองสามสำรับก็ต้องแบกไปก็ต้องจ้างคนแบกไปอีกเป็นภาระแต่นี่ท่านมีเพียงชุดเดียวสบายไม่ต้องมีภาระใส่ไปเลยใส่เดินทางไปเลย นี่แหละเรามาสำรวจดูว่าสิ่งที่เราต้องใช้มีเท่าไหร่เราพอใช้กับสิ่งที่เราต้องใช้พอมีพอใช้หรืออย่างถ้ามีพอใช้แล้วเราไม่ก็ไม่ควรที่จะหามาเพราะหามาใหม่ได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่มีคำว่าพอถ้าเราลองไปหาแบบไม่มีเหตุไม่มีผล เห็นอะไรสวยก็อยากได้เ <Ox> ห um> ็นชุดนี้สวยก็อยากได้เห็นกงเกงนี้สวยก็อยากได้เห็นเสื้อตัวนี้สวยก็อยากได้เห็นกระเป๋าใบนี้สวยก็อยากได้เห็นรองเท้าสวยก็อยากได้ได้แล้วมันมันหายไมล่ะคําว่าไม่พอมันก็ไม่พอเหมือนเดิมดีใจวันสองวันนั่นนี่พอวันสองวันเดี๋ยวกลับไปเดิน ตามห้างใหม่เดินตามสูนการค้าใหมเ่เห็นของแปลกของใหม่ออกมาอีกแล้วก็เกิดความไม่พอขึ้นมาอีกแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเร า, เาใช้เหตุผลในการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้มีไว้เพื่อมารักษาชีวิตของเราให้อยู่เป็นปกติสุข ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้ดไม่ให้อดอยากขาดแคลนคือให้มีพอต่อความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการเสื้อผ้านร่งกายมีร่างกายเดียวทำไมต้องมีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดเป็นสิบชุดของผ้านี้ท่านให้มีชุดเดียวก็อยู่ได้ สลับกันซักเวลาซักผ้านุ่งก็ใส่ใส่ผ้าห่มเวลาจะซักผ้าห่มก็ใส่ผ้าหนุ่มสลับกันไปอันนี้เราวิธีที่จะลบความไม่พอออกไปเราต้องใช้เหตุผลคือความจริงนั่นคือเหตุผลความจริงคือความต้องการของร่างกายของเรา ต้องการเสื้อผ้ากี่ชุดถึงจะเรียกว่าพอสำหรับพระนีมชุดเดียวก็พอหนึ่งไตหนึ่งสรับมีข้อทุดงคาวาที่พระเจ้าสอนให้พระถือให้ถือผ้าไต่หนึ่งสำรับหนึ่งชุดถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้เอาไปทำบุญทำทานไม่ให้เก็บเอาไว้ให้ลกลุงรังเปล่า เพราะมันไม่ได้ทำให้ประโยชน์มากขึ้นกว่าที่มีอยู่มีผ้าสามชุดสิบชุดมันก็ได้ประโยชน์เท่ากับหนึ่งชุดนะเพราะใช้ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้ทีเดียวสองชุดสามชุดที่ไหนเวลาใช้ก็ใช้ชุดเดียวยิ่งน้นความต้องการของร่างกายเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นเอง สำหรับญาติโยมนี้อาจจะเอาแค่สามชุดก็แล้วกันชุดไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งเก็บเผื่อไว้เผื่อซักแล้วไม่แห้งเผื่อมันขาดหรืออะไรต้องซ่อมก็ยังมีสำรองถ้ามีสามชุดนี่ก็สบายแนละ้ว หาชุดที่ไปไหนใช้ได้ทุกงานสิชุดขาวเนี่ยมันไปได้เกือบทุกงานใส่ชุดขาวไปงานไหนก็ไปได้ยิ่งถ้ามีความพอแล้วมันก็จะไม่อยากไปไหนมันก็ไม่อยากจะไปงานนั้นงานนี้ไปแล้วมันก็เหนื่อยวุ่นวายไม่ได้อะไรกลับมาก็เหมือนเดิม แต่ถ้ามีความพอแล้วมันก็จะไม่อยากไปไหนเมื่อไม่อยากไปไหนมันก็ไม่ต้องมีชุดสำหรับงานต่างๆไว้ใส่ถ้ายังอยากไปงานแต่งงานอยากจะไปงานวันเกิดอยากจะไปงานศพไปงานอะไรมันก็ต้องมีหลายชุดไว้เปลี่ยนแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมยังจําเป็นจะต้องไปก็ก็มีได้มี ชุดแต่งงานไว้ชุดหนึ่งชุดงานศพไว้ชุดหนึ่งอันนี้ไว้สําหรับงานงานมงคลกับงานไม่มงคละชุดดํากับชุดขาวหรือชุดสีสันหน่อยถ้าไปงานแต่งงานก็ให้มีสีมีสันถ้าไปงานศพก็ให้เป็นสีดําไปก็ให้มีเหตุผลในการที่เราจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็ที่เราจะได้มีคำว่าพอเบื้องต้นขอให้เราพอกับปัจจัยสี่ที่เราต้องบริโภคต้องใช้กันขอให้มันมีความพอดีพอกับความต้องการของร่างกายให้มันมีเท่าที่ร่างกายต้องการอาหารวันละสามมื้อก็ให้มันมี สามมื้แต่ละมื้อก็มีราคาหลายระดับด้วยกันก็ดูที่กําลังของเราแล้วเรามีเงินมากเงินน้อยเราก็ซื้ออาหารตามกําลังของเราไปถ้าจะให้สบายก็ซื้อของถูกดีที่สุดเพราะเงินจะได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมาก เพราะการหาเงินมากมันก็เหน็ดเหนื่อยยุ่งยากลาบากถ้าใช้น้อยก็หาก็หาเงินน้อยก็เหนื่อยน้อยลาบากน้อยวุ่นวายน้อยถ้าใช้มากก็ต้องหาเงินมากมก็จะเหน็ดเหนื่อยมากก็จะยุ่งมากศา ส, สนาพุทธพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามักน้อย มักน้อยก็คือให้ใช้น้อยๆนี่แหละเป็นวิธีที่จะลบคำว่าไม่พอออกไปเอาให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นอาหารก็ให้มันถูกที่สุดจะมีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่อาหารถูกแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ใช้ไม่ได้ต้องมีอาหารที่มีประโยชน์เหมือนกันเช่นสมมติยกตัวอย่างกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเนี่ย มันกินแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันใช่ไหมแต่มันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกินข้างถนนมันก็ราคาหนึ่งไปกินในร้านมันก็อีกราคาหนึ่งไปกินในโรงแรมมันก็อีกราคานึ่แต่มันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันท่านบอกให้เลือกเอาของที่ถูกที่สุดคาว่ามักน้อยก็ถูกที่สุดนะ มากน้อยจะได้ไม่เด็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมาใช้จะได้เรียกเรี่ยงปัญหาต่างๆที่เกิดจากการที่จะต้องไปหาเงินหาทองพวกเราทุกคนคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมว่าการหาเงินนี่ต้องมีปัญหาตามมาต้องมีอุปสรรคตามมาต้องมีเรื่องมีราวตามมาพราเราหากันแบบไม่พอ หาแบบโลกหาแบบอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆเนี่ยพออยากได้ง่ายๆอยากได้มากๆอยากได้เร็วๆมันก็เลยต้องไปหาโดยวิธีผิดกฎหมายบ้างไปขายยาเสพติดไปขายยาไปทําอาชีพผิดกฎหมาย หรือไปช่อโกงไปลักขโมยคอร์รัปชันเพื่อที่จะได้เงินมาง่ายๆมากๆเร็วๆนี่เองแทนที่จะไปพบกับความสุขกับต้องไปเจอกับความทุกข์ที่จะตามมาถ้าถูกจับก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลถูกติดคุกติ ด, ต, ดตารางไป เพราะความมากมากไม่ใช่ความมากน้อยถ้าความมากน้อยแล้วนี้ความกดดันที่จะต้องไปหาเงินแบบง่ายๆมากๆเร็วๆนี้มันจะไม่มีเพราะเราใช้น้อยเราทำงานรับจ้างวันละสามร้อยนี่เราก็อยู่ได้แล้วก็รัฐบาลเ็ามีการศึกษาแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำเพื่อที่จะมา ใช้กับปัจจัยสี่นี้วันละสามร้อยนี่ก็พอเพียงถ้าเราทํางานขั้นต่ําได้วันละสามร้อยเราก็เอามาแบ่งเสื้ออาหารแบ่งซื้ออะไรที่จําเป็นต่อร่างกายเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อทุกวันเสื้อผ้าพอมีครบมีครบแล้วก็แทบจะไม่ได้ซื้อมีก็ จ, จะต้องมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านะ แต่ถ้าเราอยู่แบบถูกๆอยู่แบบมากน้อยรายจ่ายมันก็ไม่สูงมันก็จะพออยู่พอกินไปได้พออยู่พอกินมันก็สบายแล้วปัญหาของร่างกายความอดอยากขาดแคลนความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ได้รับการดูแล แล้วใจของเราก็จะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปใจก็จะสบายเราก็จะทำให้เรานี่รักษาศีลกันได้เพราะการรักษาศีลนี้ก็เป็นสิ่งที่จะปกป้องรักษาให้ ชีวิตของเราไม่ให้ไปเจอกับความทุกข์ต่างๆนั่นเองเวลาทำบาปนี่มันมีโทษติดตัวมามันมีโทษตามมาโทษนั่งในขณะที่มีชีวิตอยู่และโทษหลังจากที่ตายไปแล้วร่างกายของเราตายไปแต่ใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าทำบาปใจก็จะต้องไปรับโทษต่อไปจะต้องไปเกิดในที่ที่ไม่ดีที่มีแต่ความทุกข์มากกว่ามีความสุขก็คือไปเกิดถ้าได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นปลาเป็นอะไรต่างๆ ถ้าไม่ได้ร่างกายก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยแล้วดวงวิญญาณที่หวาดกลัวหรือดวงวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความโกรธเกลียดซึ่งเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีความสุขเวลามีความหิวโหวยเวลามีความกลัวเวลามีความอาฆาตพยาบาทนี้ ใจมันจะร้อนใจมันจะทุกข์เนี่ยอนนี้คือที่ไปถ้าไปทาบาปถ้าทําบาปโดยวยิด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปเยก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตหิวโหยตลอดเวลาไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ เพราะความโลภมันจะไม่มีคำว่าพอนั่นเองมีแต่คำว่าไม่พอได้มาร้อยก็ไม่พอได้มาพันก็ไม่พอได้มาหมื่นได้มาแสนก็ไม่พอมันอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้คืบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วานี่คือความโลภเมื่อมีความโลภมากๆก็ มันก็จะทําให้ไปทําบาปกันเพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้กันทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวกลัวนู่นกลัวนี่ก็ไปทําบาปเพื่อป้องกันพอทําแล้วก็ต้องไปรับผลบาปไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองตายไปก็ไปไปนรกเนี่ยถ้าไม่รักถ้าไม่รู้จักคำว่ามากน้อยกับการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันก็จะไม่รู้จักการรักษาศีลเพราะมันจะอยากได้อะไรมากมากง่ายๆเร็วๆ ก็จะไปทําบาปกันโดยที่ไม่กลัวบาปเพราะไม่ไม่เชื่อว่าเวลาทําบาปแล้วตายไปจะต้องไปเกิดในอบายกันเพราะคิดว่าตายแล้วสูนนั่นเองเพราะคิดว่ามีเพียงร่างกายพอร่างกายตายไปใครจะไปรับผลบาปต่อไปพวกที่มีความโลภความอยากมากๆอยากได้ สิ่งต่างๆมากๆ ง, ง่ายๆเร็วๆก็มักจะไปทำบาปกันแถ้าเป็นพวกที่เชื่อบุญเชื่อบาปตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากจะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะหัดใช้ความมากน้อยสันโดษ เพื่อที่จะมาใช้กับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหาให้แบบพอเพียงหาแบบเอาเท่าที่จําเป็นจริงๆใช้แบบเท่าที่จําเป็นจริงๆใช้แบบมากน้อยใช้แบบใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะใช้ได้แต่ประโยชน์ก็ได้เต็มที่ประโยชน์ให้กับร่างกายได้เต็มที่ เช่นการซื้ออาหารก็ซื้ออาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่ให้มันเป็นราคาที่ต่ำที่สุดพอจะได้ใช้เงินน้อยที่สุดเพราะถ้าเราใช้น้อยเราก็ไม่ต้องไปหามากนั่นเองเมื่อเราไม่ต้องหามากเราก็ไม่ต้องไปทำบาปมันก็จะทำให้เรานี้สามารถที่จะรักษาศีลได้ ละเว้นจากการทำบาปได้เราจะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำบาปหายไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาระดับที่สองระดับแรกก็คือวิธีแก้ปัญหาจากการที่มีเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักพอเราก็ต้องใช้คำว่ามากน้อยมาแก้มันให้มันมีเท่าที่ความ เท่าที่ร่างกายต้องการไม่ต้องมีมากไปกว่านั้นเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอแล้วพอใช้แล้วไปไหนมาไหนได้แล้วให้มีสิ่งที่ร่างกายต้องการแต่ให้มันมีน้อยที่สุดมีเท่าที่จำเป็นเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรต่างๆมามากมาย เพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายมันก็ได้ประโยชน์เท่ากันมีของมีเสื้อผ้าสามสี่ชุดกับมีเสื้อผ้าสามสิบชุดมันก็มีประโยชน์เท่ากันเพราะเวลาใส่เราก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเราไม่ได้ใส่ทีสามสิบชุดเราไม่ได้ใส่ทีสามชุดเนี่ยก็ใส่ทีละชุดประโยชน์มันมีไว้สาหรับปกป้องรักษาร่างกายเท่านั้นเอง ปกป้องภัยจากอากาศหนาวเย็นปกป้องภัยจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ปกปิดอวัยวะต่างๆแค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าไม่ว่าจะมีราคาแพงราคาถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากันได้ประโยชน์เท่ากันทําไมต้องไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่ แนเมื่อเสื้อผ้าราคาถูกๆมันก็ทำหน้าที่ได้เท่ากันอันนี้เราพูดด้วยเหตุผลเราไม่อยากไปพูดด้วยอารมณ์หรือรัินิยมเนี่ยถ้าไปเรื่องรสินิยมแล้วไปเอกทะเลไปเลยไม่มีขอบไม่มีฝังเธอใส่ชุดละหมื่นฉันจะใส่ชุดต่อแสนเนี่ยมันจะกลายเป็นการแข่งกันแข่งขันกัน อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเหตุผลเป็นอารมณ์เป็นความหลงเป็นตัวที่จะมาสร้างความไม่พอให้กับใจไม่ใช่จะทําให้ใจพอจะกลับให้ไม่พอมีใสายชุดหมื่นแล้วเห็นคนหนึ่งก็ใส่ชุดแสนก็อยากจะได้แล้วสิถ้ามีชุดล้านก็ใส่ชุดล้านก็มีเออมีน้ำเมืองนอกเนี่ย ไปดูเสื้อผ้าที่นักออกแบบก็ออกมาเฉพาะคนนี้คนเดียวมีชุดเดียวในโลกนี้โอเยราคาบางทีตกเป็นล้านก็มีใส่ไปทาไมใส่ก็ใส่ได้ขนเดียวใส่สองขนก็โดนเขาโดนเขาดนเาว่าแล้วโดนเขาตำหนิแล้วมีมีแค่ชุดเดียวหรือไงอ น, นี้คือวิธี ที่เราจะทำให้ความไม่พอมันพอขึ้นมาเกี่ยวกับการบริโภคปัจจัยสี่ของพวกเรา mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ลดความกดดันที่จะไปกดดันให้เราไปทำบาปกันไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีก mm hmm. ถ้าเราใช้น้อยๆเราก็หาน้อยๆได้หาน่อยๆก็ไม่มีอะไรมากดดันให้เราต้องไปหาแบบทำบาปทำผิดกฎหมายกัน ทุกคนที่ทําผิดกฎหมายทาบาป ก, กันนี้เพราะใช้เงินมากใช่ไหมมีเงินไม่พอใชอต้องหาโดยวิธีช่อโกงเพราะเงินเดือนที่ได้มันไม่พอใช้เลยต้องหาวิธีเพิ่มก็ต้องมีการคอร์รัปชันกันมีใต้โต๊ะกันมีหยอดน้ำมันกัน อไปติดต่อกับทางการดูสิถ้าไม่มีน้ํามันติดตัวไปนี่บางทีรอไปทั้งวันไ ม, ไม่เสร็จสัทีบางที่มีน้ํามันก็เข้าปุ๊บปั๊บเขาก็ออกมาแล้วเขาเสร็จนะเพราะมีน้ํามันหล่อลื่นทําให้อางานทํามันไหลเรื่นอย่างรวดเร็วแต่พอไม่มีน้ํามันนี่มันหยุดชะงักมันติดขัดเนี่ยติดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเพราะว่า คนทำงานเขาต้องการมีรายได้พิเศษเพราะเขาใช้มากใช้กับปัจซิใช้กับปัจใ จ, จสี่มากและใช้กับปัจจัยอื่นๆมากนอกจากปั จ, จัจสี่แล้วยังมีอย่างอื่นที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้กันไปใช้กับอบายามุขเนี่ยเช่นการดื่มสุราเล่นการพนันการเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวและ มอเรลงมาลัรษณบันเทิงต่าง ๆ, างๆไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดูดทัพย์ดูดการใช้เงินไปทำให้ต้องอดิ้นรนหาเงินหาทองมาแบบไม่ชอบกันเพื่อที่จะได้มีเงินพอใช้นี่นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเรามาใช้เหตุผลกันในการ บริโภคของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้ใช้หลักมักน้อยให้ใช้ของที่ถูกที่สุดแต่มีประโยชน์เท่ากันเช่นเสื้อผ้าเนี่ยมีชุดละห้าร้อยชุดละห้าพันมันต่างกันตรงไหนสำหรับหน้าที่ของเสื้อผ้าสำหรับประโยชน์ของเสื้อผ้ามันเท่ากันมันมีไว้ปกปิดร่างกายมีไว้ป้องกัน อากาศหนาวเย็ยนป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยเท่านั้นเองทำไมาต้องไปเสียห้าพันถ้าเสียห้าร้อยก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันเให้ใช้หลักนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อไม่ต้องใช้เงินมากก็จะไม่ต้องไปหาเงินมากหรือว่าถ้าเราหาเงินมามากโดยที่ โดยที่ถูกถูกกฎหมายถูกศีลธรรมท่านก็บอกว่าอย่าสะสมมันเพราะการสะสมมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดความโลภได้ได้แสนก็อยากจะสะสมเป็นได้หมื่นได้อะไรได้ล้านขึ้นไปเรื่อยๆให้เอาเงินที่มันมีมากเกินไปนี้เอาไป ทำบุญทำทานดีกว่าเอาไปแบ่งปันแล้วจะทําให้ใจความโลภอยากได้เงินทองมากๆ ม, ม, มันจะได้หายไปคาว่าเงินไม่พอมันก็จะหายไปเพราะเราจะใช้เงินเท่าที่เราต้องการเท่านั้นที่จาเป็นเท่านั้นพอมีแล้วเราก็บอกได้ว่าพอแล้วมีเงินพอใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็พอแล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาไปทาไมเก็บไว้ทาไม มีไว้ก็จะบันหลอกล่อใจให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นคอยดูตัวเลขในบัญชีเลยเออวันนี้ได้หมื่นหนึ่งเดี๋ยวพึ่งอยากจะได้สองหมื่นนะอยากให้มันเพิ่มเป็นสองหมื่นสามหมื่นมันก็จะทำให้เราต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองกันเหน็ดเหนื่อยไปปปล่ า, ป, าประโยชน์ที่ได้ไม่มีเพราะว่า ประโยชน์ที่เราต้องการให้กับร่างกายเราก็มีพอเพียงแล้วมีมากกว่านั้นก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีตายไปเราก็เอาอไปไม่ได้อยู่ดีประโยชน์ที่เราจะได้ให้กับใจก็เพียงเครือกาบจากการเอกไปทําบุญเท่านั้นการทําบุญนี้มันจะทําให้ใจเราเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแทนที่อยากจะได้เงินมากๆกราบจะไม่ต้องการเงินมากๆกราบอยากจะใช้เงินไปทําบุญ เพื่อให้ใจมันอิ่มมันพอขึ้นมา อ, อ, อันนี้คือมาตรการต่างๆที่พระเจ้าทรงใช้ในการที่จะลบความไม่ออกจากคำว่าไม่พอให้เหลือแต่คำว่าพอใช้ความมากน้อยคือใช้น้อยๆมันจะได้มีขอบมีเขตพอพอมีพอเพียงต่อความต้องการแล้วก็พอ ไม่จำเป็นจะต้องมีมากเกินไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พระมีสมบัติเพียงแค่แปดชิ้นเท่านั้นเองแปดชิ้นนี้เป็นสมบัติของพระพระพุทธเจ้าก็ใช้สมบัติแค่มีสมบัติเพียงแดชิ้นไม่ได้สอนพระอย่างเดียวพระองค์ก็ทรงปฏิบัติมีอัตถบริขารเรียกว่าสมบัติของพระของผู้ที่มีความพอมีแปดชิ้นก็พอ มีผ้าสามผืนมีข้ำเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นเป็นสี่มีบาทหนึ่งใบไว้สำหรับหาอาหารเป็นห้ามีมีดกรว้ปงผมปงหนวดเป็นหกมีเข็มกับด้ายไว้สำหรับซ่อมจีวรเวลามันขาดเป็นเจ็ดแล้วก็มีที่กล่องน้ำเป็นแปด สมัยโบราณต้องไปตักน้ำตามลำห้วยลาทารในลำห้วยลำทานก็มีตัวสัตว์เช่นลูกน้ำอะไยถ้าจะตักน้ำโดยไม่มีที่กองมันก็อาจจะตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยก็จะบริโภคไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องมีที่ตักน้ำแบบมีที่กองตักแบบแต่น้ำแต่จะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมานี่คือสมบัติแปดชิ้นของผู้ที่มีความพอ ผู้ที่ลบความไม่ออกจากคําว่าไม่พอได้หรือแต่คําว่าพ อ, อ, อการที่ท่านทําอย่างนี้ได้เพราะว่าท่านไปลบคําว่าไม่ที่มีอยู่ภายในใจของท่านการที่เราจะเข้าไปลบคําว่าไม่ที่มีอยู่ในใจได้เราต้องเบื้องต้นต้องอต้องไม่มีภาระเกี่ยวกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทงอง ถ้าเรายังมีภาระกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปลบคำว่าไม่ออกจากใจของเราได้เพราะการที่เราจะลบคำว่าไม่ออกจากใจเราต้องไปทำใจให้สงบเท่านั้นเพราะเวลาใจสงบแล้วคำว่าไม่มันจะหายไป เหรือแต่คำว่าพอจะปรากฏขึ้นมาดังนั้นเบื้องต้นเราจึงต้องมาหัดลดการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้มันเหลือน้อยที่สุดใจก็ตั้งเหลือศูนย์ให้มีทรัพย์สมบัติเงินทองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วเราจะได้รักษาศีลได้พอเรารักษาศีลได้ไม่ต้องไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เราก็จะไปอยู่แบบนักบวชหรือไปบวชได้ไปบวชไปถือศีลศีลจากศีลห้าเราก็เพิ่มเป็นศีลแปดศีลสิบหรือศีลสอง้อยยิบเจ็ดเนพอเรามีศีลแล้วเราก็จะห้ามไม่ให้เราไปาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพอหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอไปดูหนังฟังเพลงมากี่วันกี่ครั้งก็ยังอยากจะกลับไปดูหนังฟังเพลงอยู่นั่นไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มากี่ครั้งก็ตามก็ยังอยากจะกลับไปเที่ยวใหม่ไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆมาซื้อเต็มบ้านไปหมดก็ยังอยากจะไปซื้ออยู่นั่น แต่ถ้าเรามาถือศีลแปดศีลสิบได้เราก็จะถูกห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราไม่ไปทำกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะได้มีเวลามาทำใจให้สงบการทำใจให้สงบนี้เราต้องทำอย่างต่อเนื่องทำแบบตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อให้มันสงบได้ตลอดเวลา พราะถ้าเราทําเป็นแค่พักๆ ท, ทําทีละชั่วโมงพอเราเวลาที่เราไม่ทําใจมันก็คิดปรุงแต่งมันก็อยากมันก็เกิดความหิวเกิดความไม่พอขึ้นมาแล้วมันก็จะบีบดันบีบบังคับให้เราไปทําตามความอยากกันความไม่พอมันก็จะเกิดยัง ก, ก็ยังจะมีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมาคอยหยุดความคิดหยุดความอยากกัน ความไม่พอมันก็จะลดน้อยลงไปถอยลงไปความพอมันก็จะพาะขึ้นมามากขึ้นไปตามลำดับเพราะคำว่าไม่จะถูกค่อยๆลบไปจากคำว่าไม่พอนั่นเองถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะรอนสติพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดคอยควบคุมความอยากอยู่เรื่อยแล้วก็คอยนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ พอใจนิ่งสงบคำว่าไม่ก็จะถูกลบไปเหลือคำว่าโผคําว่าพอก็จะโผล่ขึ้นมา เ, ออเวลาจิตสงบเต็มที่นี่คำว่าไม่หายไปหมดเลยเหลือแต่คำว่าพอเหลือคำว่าอิ่มปรากฏขึ้นมาเหลือคำว่าสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงโผล่ขึ้นมานัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี เพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบพอความสุขแบบอื่นเป็นความสุขแบบไม่พอได้แล้วอยากได้อีกไปเที่ยวแล้วอยากจะกลับไปเที่ยวอีกไปดูหนังฟังเพลงแล้วเดี๋ยวอยากจะกลับไปอีกนี่คือความสุขที่พวกเราหากันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขแบบไม่พอเราต้องมาหาความสุขแบบพอด้วยการมาฝึกสติ คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ความพอก็จะโผลขึ้นมาเราต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำหนสองหนมันต้องทำอยู่บ่อยๆทำจนกระทั่งมันมันเป็นอย่างต่อเนื่องไปโดยอัตโนมัติใหม่ๆทำทีมันก็ได้ทีพอหยุดทำมันก็หายไป เราก็ต้องกลับมาทำอยู่เรื่อยๆทำให้มันอยู่ไปจนต่อไปมันจะอยู่แบบไม่หายพอมันอยู่แบบไม่หายแล้วต่อไปจิตของเราก็จะมีแต่คำว่าพอตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะตื่นหรือจะหลับไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเดินยืนนั่งนอนความอิ่มความพอมันจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราสามารถปฏิบัติในระดับที่ ทำให้ความอิ่มความพอนี้ไม่หายไประดับแรกที่เราทำด้วยสติพุทธโธนี้มันหายได้เวลาเราพุทธโธมันก็หายไปเวลาเราพุทธโธความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาความพอก็โผล่ขึ้นมาพอเราหยุดพุทธโธความไม่พอมันก็กลับขึ้นมาใหม่เราจึงต้องอเพิ่มอีกระดับหนึ่งพอเราทำให้มัน พอได้ด้วยด้วยสติแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาทำให้มันพอด้วยปัญญาปัญญาก็จะสอนให้เรารู้ว่าการที่เราไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขแบบไม่พอหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะไปหาความสุขแบบนั้นเราก็ต้องฝืนมันอย่าไปทำตามมัน พอเราฝืนมันไม่ทาตามมันต่อไปความอยากที่จะไปหาความสุขแบบไม่พอมันก็จะหายไปพอความอยากที่ไปหาความสุขแบบไม่พอหายไปความพอมันก็โผล่ขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัตินี่ความไม่พอมันเกิดจากความอยากที่จะไปหาความสุขที่มันให้ความไม่พอกับเรานั่นเองไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอได้มาแล้วพอไหมไม่พอ วิธีที่จะทำให้มันพอก็คืออย่าไปหามันหยุดมันเวลามันอยากไปหาเงินอยหาทองก็อย่าไปหามันเวลาอยากจะไปหาตำแหน่งก็อย่าไปหามันให้มาอยู่กับความสงบพอใจไม่ไปหาแล้วใจมันก็จะสงบขึ้นมาพอใจสงบขึ้นมาคำว่าพอก็โผล่ขึ้นมาคำว่าไม่มันก็หายไปเหลือแต่คำว่าพอ คำว่าไม่พอก็หายไปหายตรงที่เราลบคำว่าไม่ไปนั่นเองเวิธีที่จะทำให้ใจเราหายจากคำว่าไม่ทำให้คำว่าไม่พอกลายเป็นคำว่าพอก็คือเราต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองเถือศีลก็จะได้ห้ามไม่ให้เราไปหา สิ่งที่ทำให้เราไม่พอกันไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราหากันมาตั้งแต่เกิดจนถึงบัดนี้เราเคยเจอคำว่าพอหล้อยังจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันพอวิธียี่ทำให้เราพอจากสิ่งเหล่านี้ก็คืออย่าไปหามันท่นเองพอเราไม่ไปหามันต่อไปเราก็ไม่มีความอยากที่จะได้มันเราก็พอ นี่แหะคือศีลห้ามใจเราอย่าไปหาความสุขที่เกิดจากความทําให้เราไม่พอกันแล้วก็มาหาความสุขที่ทําให้เราพอโดยการฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปพอจิตสงบความว่าไม่ก็หายไปคําว่าไม่พอก็หายไปเหลือแต่คําว่าพอปรากฏขึ้นมา แล้วเวลาเราออกจากสมาธิพอมันจะไปหาความสุขแบบไม่พอเราก็ใช้ปัญญามาสอนมาเตือนว่าไปแล้วมันก็จะมีไม่มีวันพอนะมันจะมีแต่ไม่พออยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้ใจเราพอเราอย่าไปหาความสุขแบบไม่พอฝืนมันอย่าไปทำตามมันพอเราฝืนมันได้ไม่ทำตามมันได้ต่อไปความอยากไปหาความสุขแบบไม่พอมันก็หายไป ก็จะเหลือแต่ความสุขแบบพออยู่ในใจของเราเป็นตลอดเนะี่ยนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าลบคำว่าไม่ออกจากคำว่าไม่พอเหลือแต่คำว่าพอแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขแบบพอเราก็ต้องลบความสุขแบบไม่พอออกไปลบคำว่าไม่ออกไปด้วยการมาถือศีลด้วยการมาฝึกสมาธิ ด้วยการมาเจริญปัญญาพอเราปฏิบัติตามที่พระเจ้ทาทรงสอนได้ต่อไปคําว่าไม่ก็จะหายไปจากใจของเราเหลือแต่คําว่าพอคําว่าไม่พอก็จะเหลือแต่คําว่าพอพอเราลบคําว่าไม่ออกไปจากใจพอเราเจอความพอแล้วปัญหาต่างๆที่เราเคยมีรับประกันได้จะไม่มีอีกต่อไป เพราะเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราไม่ต้องไปหาอะไรจากใครจากที่ไหนไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคมาเป็นปัญหากับเราอีกต่อไปแม้แต่สังขารร่างกายของเรามันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะเราไม่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆที่เราอยากหากัน เพราะเมื่อเราพอแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาอะไรกันร่างกายมันจะเจ็บจะแก่จะตายมันก็ไม่เป็นปัญหากับใจที่มีความพอแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้าอีกอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เพราะพวกเรายังหาความสุขแบบไม่พอกันอยู่ความสุขที่ยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะมาหาความสุขกันต่อไปแล้วก็มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไปหาความสุขกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยแต่พอเราทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้เราก็จะลบคำว่าไม่ออกจากคำว่าไม่พอเหลือแต่คำว่าพอพอพอแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว เพราะมันอิ่มมันพอมันสุขมันสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองก็ขอให้ท่านจงนำเอาทมที่ท่านได้ยินนี้ไปพิจิรพิจารากันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรลัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปทิตังตุมหังกิปเมวาสมิจโตสัพเพปเรมโตจังกะปาจันโทปันาราโสยธามณีโชติาราโสยธาสัพพิตโยวิวาจจันโต สัพพะโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทิตาโยโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังวุธาปัจายโนจตารโหธามาวทานเตอายุวันโนสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่คะวันนี้จาก Facebook 283 YouTube 301วทยิถิยออนไลน์27ผู้รับฟังบนข่าว51รวม662ท่านค่ ะ, ะ, ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากถามก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ส่งไปกระโปไปให้เธอหน่อย พูดใกล้ๆปากเลยเสียงดังๆจะได้ยินเสียงดิฉันเป็นคนใกล้ๆปากเลย เ, เป็นคนใจร้อนอะค่ะร้อนมากๆที่นี้ก็ไม่ทราบว่าจะมันมันทุกข์มากแล้วก็เลยต้องขึ้นมาหาธรรมะนะคะใส่นาแข็งเข้าไปเลย้ำมันร้อนเ <laughs> น่ยนมแข็งก็คือพุทโธนี่นะ <laughs> พอมันร้อนก็พุทโธพุทโธไปง่ายๆ <laughs> แต่ต้องขยันใส่ <laughs> พอเหมือนกับใส่น้าแข็งก้อนสองก้อนไปในน้ำที่เดือดมันยังไม่เย็นอะต้องผใอัใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักมันก็จะเย็นลงใจเราร้อนเพราะเราคิดคิดแล้วก็อยากอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากมีนี่พอมันอยากแล้วมันก็ดิ้นหล่นมันร้อนเยันเราต้องใช้พุโทโธพุโทโธนี้หยุดมันหรือสวดมนต์ไปก็ได้ อย่าปล่อยให้มันคิดมากเกินไปควบคุมความคิดให้มันคิดเฉพาะสิ่งที่เราจำเป็นอย่าต้องคิดถ้ามันไปคิดแบบโลภโมโทสันก็ต้องหยุดมันมันหัดฝึกพุทธโธพุทธโธไปเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาพอจะเริ่มคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็เอาพุทธโธใส่เข้าไปมันจะเริ่มร้อนนะพอเริ่มคิดมันก็จะเริ่มร้อน เราก็ต้องเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปในใจเอาพุโทโธพุโทโธใส่เข้าไปหรือสวดมนต์ไปแบบไม่ต้องนั่งสวดนะแบบในทุกิริยาบทเลยเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าใจมันจะคิดหยุดมันนเพราะมันคิดแล้วมันจะทําให้เราร้อนใจหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธหรือหยุดมันได้บทสวดมนต์ก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆจบ เอตีปิโสภักภกวาอรหังสัมมาสวดไปภายในใจเวลาที่เราทำกิจอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วใจมันจะไปคิดให้ร้อนขึ้นมาก็ใช้พุโทโธไปแล้วใช้บทสวดมนต์ไปใหม่ๆอาจจะรู้สึกยากเพราะเราไม่เคยสวดไม่เคยพุโทโธกันแต่พยายามบังคับมันไปเถอะทาไปเรื่อยๆ ต่อไปมันจะมีประโยชน์เราจะเห็นคุณค่าว่าใจเราที่ร้อนนี่เริ่มเย็นลงเบาลงสบายลงไม่หนัก อ, อกหนักใจเหมือนเมื่อก่อนเราไปแบกมันเองด้วยความคิดของเราเองแบกคนนั้นแบกคนนี้แบกเรื่องนั้นแบกเรื่องนี้พอเราหยุดคิดถึงเขาความหนัก อ, อกหนักใจก็หายไป ต้องมาหัดพุโทโธกันนะหัดพุโทโธหัดท่องสวดบทสวดมนต์กันไปอย่าขี้เกียจเวลาเริ่มต้นนี้ต้องขยันต่อไปพอมันทาได้แล้วมันไม่ต้องสวดตลอดเวลามันไม่ต้องพุโทโธตลอดเวลาเพียงแต่เอาเอาไว้เตรียมไว้สำหรับเวลามันคิดมันฟุ้งขึ้นมาก็หยุดมันได้แต่ตอนต้นนี้เราไม่มีเลยเราต้องหัดทามันหัดพุโทโธหัดพุโทโธไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปเราก็จะใช้มาทําให้ใจเราเย็นได้เข้าใจนะง่ายๆใครอยากถามก็ยกมือขึ้นมานะจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีมีอะไรเข้ามาหน่อยได้ไหมหนุม่มทานเข้ามาหน่อยเข้ามารับไมโครโฟนไปไหน่อยอ่ส่งได้เลยส่งข้อความเข้ามาส่งอ่า เอ่ช uh, <น>ิญครับสามคถามนิด น, นึงครับเรื่องถ้าเกิดสมมุติว่าอืเรื่องถ้าเกิดว่ามีคนยอมที่จะสละชีวิตเพื่อคนอื่นเนี้ย uh. เขาเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับ า, ออนานถ้าแบบว่าทําเพื่อบูชาคุณของผู้อื่นนี่ออก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเป็นการ บริจาคเอาไ ว, าว้ว่าบริจาคอะไรอย่างนี้เหมือน <ไป S 1> จะแบบสมมติว่าแม่ะะจะโดนแบบยิงแทนลูกอะไรอย่างเงี้ยคือ อ, อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายใช่ไหมครก็ไม่ได้ฆ่าเพียงแต่ไปรับโทษเองอืแต่ถ้าตัวเองเป็นคนทำํำก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายอยู่เช่นผูกคอตายเองออหรือว่ากินยาพิษอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าฆ่าตัวตาย แต่ถ้ายอมรับโทษลูกจะถูกประหารชีวิตแม่ขอไปรับโทษแทนลูกอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายคือทาด้วยความรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ <S 1> <S 1> ทําด้วยความเสียสละเมตตาก็ว่าได้ครับขอบคุณครับ ใ, ใจไหมเออถามต่อคําถามจากผู้รับฟังบนเขาค่ะหากเรา รักษาศีลห้าเราได้ปฏิบัติโดยไม่ชอบไปแล้วและแก้อย่างไรถึงจะหมดกรรมที่ทําไปคะอ๋อก็กรรมที่ทําไปไม่ ว, ว่าบุญก็บาปก็ดีมันไปแก้ไม่ได้นะมันผ่านไปแล้วอต่มันจะต้องส่งผลช้าหรืเร็วเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือหยุดทําบาปที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วพยาายมทําบุญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะบุญกับบาปนี้มันจะมามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราเวลาที่เราตายไปถ้าเราทำบุญมากกับบาปบาปที่เราทำไว้มันยังไม่มีโอกาสได้แสดงผลบุญต้องแสดงผลก่อนสมนว่าเราเคยทำบาปมาเยอะอย่างองคุลิมานี้ฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าให้มาฆ่ากิเลส จะได้บุญเยอะที่สุดมากที่สุดคือการฆ่ากิเลสพอฆ่ากิเลสตายหมดเป็นผ้าอารหันก็เลยบุญที่ได้ทําให้เป็นผ้าอารหันนี้ทําให้ไม่ต้องกลับมารับผลบาปที่เคยฆ่าคนถึงเก้า้อยเก้าสิบเก้าคนเพราะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นผ้าอารหันแล้นี่แหละบุญสูงสุดคือบุญที่เกิดจากการฆ่ากิเลสฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลงนี่ไม่บาปเป็นบุญอย่างยิ่ง บุญสูงสุดจะทําให้บาปต่างๆที่เราทําหนักหนาสาหาัสขนาดไหนในอดีตนี้ไม่มีอิทธิพลที่จะมาส่งผลให้กับเราได้เห็นถ้าเรารู้ว่าเราเคยทําบาปมามากเราแก้ได้ด้วยการไม่ได้แก้เร า, เ, าเราพยายามมาสร้างบุญให้มันมากกว่าบาปเพราะถ้าบุญมากกว่าบาปบาปที่ทําไว้ยังไม่มีกําลังที่จะส่งผลนั่นเอง บนมันมีกำลังมากกว่าบนมันก็จะส่งผลขึ้นมาแทนคำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะคะตัวเองเคยมีจิตที่สุกปรกอยู่มาวันหนึ่งจิตที่สุกปรกหายไปเกิดจากอะไรคะมันก็ถ้าไม่มีสาเหตุอะไรก็จะเรียกว่าอานิจังก็ได้อานิจังก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับได้จิตที่คิดดีก็หายไปก็ได้ จิตที่คิดไม่ดีก็หายไปก็ได้แต่มันจะหายไปนานหรือไม่นานถ้านั่นเป็ น, ปนคือคําถามมันอาจจะหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะโผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันโผล่กลับขึ้นมาความคิดที่ไม่ดีเราก็ต้องคอยกําจัดมันอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาเองหรือดับไปเองถ้าอย่างนี้เราก็เราก็จะไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะโผล่ขึ้นมาหรือไม่ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีกำจัดมันเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็คอยกำจัดมันเช่นเวลาความโลภโผล่ขึ้นมาเราก็คอยกำจัดมันใช้ความมักน้อยเนี่ยความมักน้อยนี่ก็สู้กับความโลภได้ในระดับหนึ่งอยากไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มก็ดูเเพราะที่มีอยู่พอใช้ด้วยยังพอใช้แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันก็หยุดความโลภได้คาถามจากคุณหญิง การนั่งสมาธิจะต้องนั่งนานสักแค่ไหนคะเราควรจะกําหนดเวลาตั้งเวลาไว้หรือว่านั่งไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไม่ว่าเวทนาอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องอดทนนั่งดูมันไปนั่งดูมันไปหรือเปล่าคะนั่งให้นานที่สุดพระปฏิบัติบับงรูปท่านนั่งทั้งคืนนตั้งแต่หกโมงถึงตีห้าตั้งแต่ เมื่อจนสว่างพอเมื่อท่านก็เข้านั่งสมาธิแล้วสว่างท่านถึงจะลุกออกมาไปบินทบาติถ้านั่งได้มากเท่าไหร่จิตก็เย็นมากขึ้นเท่านั้นจิตก็จะอิ่มจะพอมากขึ้นไปเรื่อยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม บางทีอาจไม่ผิดศีลแต่เป็นอใบยมุกเช่นเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงแบบนี้จะเสี่ยงต่อการผิดศีลจะบาปไปนรกหรือเปล่าครับก็ไปยืนที่ประตูนรกเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกฉุดเข้าไปนะเพราะคนที่เสบบายมุกมักจกังเสียเงินเสียทองใช้เงินใช้ทองมากเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้ พอไม่พอใช้ก็จะต้องไปทำผิดศีลเพื่อหางเงินมาเที่ยวต่อหรือไปเที่ยวสำสอนก็ไปทำผิดศีลข้อสามคําำถามต่อไปค่ะและการไม่สำรวมในกามและเสี่ยงผิดศีลเสี่ยงอบยภูมิด้วยใช่ไหมครับก็นั่นแหละทั้งหมดนี่แหละเป็นเป็นเป็นเเรียกเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นลูกน้องเป็นบริวารหรือเป็นสปอนเซอร์เนี่ย อบายามุกนี่ท่านเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ที่จะทําให้เราไปสนับสนุนให้เราไปทําบาปต่อไปอยันถ้าไม่อยากจะทําบาปอย่าไปให้มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนเราตัดสปอนเซอร์เสียตัดอบายามุกออกไปแล้วโอกาสที่จะต้องไปทําบาปมันมีน้อยลงไป และคำถามต่อไปค่ะแล้วได้ฟังมาว่าคนที่รักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่มีธรรมก็ไปอบายภูมิได้จริงเท็จอย่างไรครับอ๋อไม่จริงหรอกคือถ้ารักษาศีลได้มันก็จะปิดประตูบายได้เพียงแต่มันอาจจะปิดเฉพาะช่วงที่มีศีนเทนั้นเองถ้าผู้ที่มีธรรมนี้จะสามารถปิดประตูบายได้ตลอดเวลา เพราะผู้ที่มีธรรมก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทำบาปนี้จะส่งจิตใจให้ไปอาบายเหมือนกับเราเห็นว่าฆ่าคนแล้ว เ, เดี๋ยวเราจะต้องไปติดคุกกันเราจึงไม่ค่อยกล้าฆ่าคนกันเท่าไหร่แต่เราก้าวฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยฆ่ามดฆ่ า, มาแมลงเพราะเราไม่เห็นโทษที่จะตามา เพราะเราเห็นว่าไม่ต้องติดคุกเราก็เลยกล้าทํากันแต่พระพระที่มีดวงตาเห็นธรรมนี้ท่านแม้ว่าท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายไปก็ไปอบายเหมือนกันไปเพียงแต่ว่าจะไปอยู่นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับบาปที่เราทําว่ามันหนักหรือเบาถ้าหนักก็อยู่นานถ้าเบามันก็อยู่ไม่นานการฆ่าสัตว์ ที่มีประโยชน์มีคุณกับเราก็จะหนักกว่าการฆ่าสัตว์ที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับเราอา บ, บายก็จะอยู่ในอ บ, บายนานหรือไม่นานถ้าหนักก็อยู่นานถ้าไม่หนักก็อยู่ไม่นานเหมือนติดคุกเนะี่ยถ้าโทษหนักก็ตลอดชีวิตเนี่ยถ้าโทษเบาก็ห้าปีสิบปีก็อาจจะถูกปล่อยออกมาได้ฉะนั่นคาว่าไปอา บ, บายนี้ มันมีหนักมีเบาฮะคำถามต่อไปอสอบถามเรื่องการทําำบุญทําทานนะครับเอเรื่องอานิสง์ของการบริจาคก็คืออย่างสมมุติว่าอันนี้คืออสมมติว่ามีคนมีคนรวยใช่ไหครบเข า, าบริจาคร้อยเดึ่งแต่เขาไม่ได้คิดอะไรเขาคือเออบริจาคแต่อีกคนหนึ่งที่แบบเไม่มีรายได้ทําบริจาคห้าบาทสิบบาท เขาทำด้วยแรงทานจริงเนี่ยอา น, นิสงค์ของของของบุญนี้มันจะไปอยู่ที่ใครมากกันครับคืออา น, นิสง์ของบุญนี้มันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันอันแรกเรียกว่าความอิ่มใจสุขใจกับอันที่สองคือบุญที่เราทำไปนี้เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารชาติหน้าเวลาเรากลับมาเกิด เราก็จะเบิกตามจำนวนที่เราฝากไว้บวกดอกเบีย้ยถ้าเราทำห้าบาทเรากลับมาเราก็จะเบิกห้าบาทบวกกับดอกเบีย้ยถ้าเราทำร้อยหนึง่งเราก็กลับมาเบิกร้อยบวกดอกเบีย้ยอันนี้เป็นผลอย่างหนึ่งส่วนผลที่เกิดความสุขใจนี้คนทำห้าบาทอาจจะได้ความสุขใจมากกว่าคนทำร้อยบาทเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีห้าบาทก็อาจจะ ทำหมดตัวเลยเขามีห้าบาทแล้วเขายินยอมเสียสละห้าบาทนี้เป็นกับการทําบุญส่วนคนที่มีร้อยบาทนี้อาจจะมีหมื่นบาททําไปร้อยบาทก็เลยยังมีเหลือต้องเก้าพันเก้าร้อยก็เลยไม่ได้สูญเสียมากไม่ได้เสียสละมากะความอิ่มใจของคนที่ทำห้าบาทสุขใจ น, นี้มากกว่าคนที่ทำร้อยบาทถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ทำห้าบาทนี้เป็นเหมือนหนู แล้วคนที่ทำร้อยบาทนี้เป็นเหมือนช้างอย่างเงี้ยช้างนี่ถ้ากินข้าวที่ที่หนูกินกินก็ไม่อิ่มใช่ไหมหนูนี่กินข้าวช้อนเดียวก็อิ่มแต่ถ้าชาให้ช้างกินข้าวช้อนเดียวมันก็ไม่อิ่มถ้าช้างอยากจะอิ่มเหมือนหนูก็ต้องทําเท่ากับหนูหนูทํามีเท่าไหร่ทําหมดช้างก็ต้องมีเท่าไหร่ก็ต้องทําหมดแล้วความรู้สึกคล้ายปายในใจมันก็จะเท่ากัน อีกคำถามหนึ่งนะครับคือเรื่องอความโลภครับคืออย่างบางค น, นคือเขาติดโลภติดอยากได้บุญมากๆแล้วก็แบบคือแล้วพอทําบุญกับคนนั้นคนนี้ก็จะมีปัญหากันตลอดอะไรเงี้เพราะว่าเขาเป็นมีความโลภอยากได้บุญอย่างเนี้ยคือเขายังจะได้บุญไหมครับผมาใจะเขาถามได้แต่มันก็ได้ได้ปัญหาตามมาด้วยเนี่ยไม่ควรทําแบบโลภ ทำแบบทำบด้วยเหตุผลทำด้วยปัญญาทำทำอะไรก็อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเช่นบางทีอยากจะทำเยอะๆแต่ตัวเองไม่มีเงินเยอะก็เลยไปบังคับให้คนอื่นเขามาร่วมทำด้วยถึงถึงแมไ้ได้เยอะแต่เราคนที่ไปบังคับให้เขามาทำก็ไม่ได้บุญอยู่ดีเพราะมันเป็นเงินของคนอื่นเขา คนที่บังคับให้คนอื่นมาทําก็จะได้ส่วนของตัวเองเท่านั้นเองเช่นตัวเองมีห้าพันแต่อยากจะทําแสนอย่างนี้ก็ไปทําซองแจกจ่ายเพื่อนฝูงแล้วก็เหมือนกับบังคับให้เขามาร่วมทําบุญก็ได้แสนหนึ่งแต่ตัวเขาเองก็ได้แค่ห้าพันจะไปชวนคนอื่นมาทำหรือไม่ทําตัวเองก็ได้แค่ห้าพันอยู่ดี ที่เขาไม่เข้าใจเพราะไม่มีไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ก็เลยคิดว่าถ้าได้ทําเยอะๆถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นเงินของตัวเองตัวเองก็จะได้บุญบุญเกิดจากปริมาณของการเสียสละของเราเราเสียสละเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นถ้าเราเข้าใจดังนี้แล้วเราก็จะไม่ไปมีปัญหากับใครเราก็ทําบุญไปตามกําลังของเราอีกคาถามหนึ่งครับ ทีเราเลยตามสบายสติ๊กเกอร์เนี่ยผมเอาไปติดที่รถมาเตอไซค์ได้ไหมครับได้เนี่ยเหมือนกับเจิมเนี่ยเจิมสมัยใหม่โอเคาติโยมชอบมาให้พาเจิมด้วยสมัยนี้พาแท่งก็เลยหาวิธีให้มันทันสมัยเอาแป้งไปจุดไว้สองสามวันมันก็จางหายไปนะอันนี้เสติ๊กเกอร์ติดนี่โอยมันอยู่ได้นาน แล้วมันก็ช่วยเผยแผร่ธรรมะไปในตัวคนเห็นแล้วก็เห็นที่ติดต่อคนหาได้ธรรมะบนเขาเข้าไปใน Facebook, เฟซบุ๊กเขียนธรรมะบนเขามันก็โผล่ขึ้นมาะหรือมีเว็บไซต์บอกให้เข้าไปในเว็บไซต์ได้ก็เป็นการช่วยเผยแผ่ธรรมไปในตัวด้วยได้เจิมลดของตัวเองด้วยกล่าวนมาสการค่ะท่านอยากจะเรียนถามท่านกราบเรียนท่านว่า คนเราอ่ะเกือบจะตายไปแล้วนะคะแต่ยังมีเล่ารอดมาได้เนี่ยถือว่าเรามีบุญหรือเราเราอยู่เพราะใช้กรรมเก่าคะ่ะก็มองแล้วแต่เราจะมองเนี่ยถ้าจะว่ามีบุญก็คือจะได้กลับมาทำบุญต่อได้เพิ่มบุญหรือว่าถ้าไม่ไม่กลับมาทำบุญก็เหมือนกับกลับมารับกรรมต่อไป ก็ได้ทั้งสองอย่างวเวลาลวเวลาที่เราทุกข์มากไงอย่างท่นเมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ท่องพุโทโธพุโทโธเนี่ยกลางคืนเนี่ยบางทีแบบท่องจนแบบถ้าตายเปิดแบบเปิดแบบเฟซบุ๊กคาเทศของท่านอะ่ะบางทีก็แบบมันไม่หลับมาฮะมันมวนอยู่นั่นนะกว่าความคิดต่างๆนานาเพ<ข>ราะทําไม่ถูกไงถ้าทําถูกมันความคิดจะหายไป ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทั้งเ facebook ทั้งพุดโทปลนกันไปอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดโธก็พูดโธอย่างเดียวปิดเฟซบุ๊กไม่ต้องไปสนใจเฟซบุ๊กไม่ค่ะทําทีละอย่างนะคะนั่นแหละทำก็ต้องให้ะะใหมันจดจอ่อให้มันจริงจัง <c oughs> ไม่ใช่ทําสองสามคำแล้วก็หยุดมัน ก, ก็ไม่ได้บางทีมันต้องทําครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ มันต้องต้องทําอย่างจดจ่อเหมือนอย่างที่บอกอะรถที่มันวิ่งเดีวเดียวนี้โยมไปแตะเบรคขนเดียวมันจะหยุดไหมไม่หยุดหรอกต้องแตะมันไปจนกว่ามันจะหยุดถ้ามันยังไม่หยุดก็ต้องอย่าปล่อยเบรกคถ้ามันยังคิดอยู่ก็อย่าไหยุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดเองออออย่าไปคิดว่าพุทโธสองคำแล้วมันจะสงบไม่ใช่เอ เดี๋ยวทางนี้ต้องการทางนู้นหมดแล้วยังมีใครหมดแล้วช่วยส่งไม้มาหนะ่อยานไม่ได้ที่ปวขาไหนปดัดดยกลาน้โ ย, ยมต้องพยายามทำเยอะๆทำนานๆอย่าทําแค่สองสองวินาทีแล้วก็หยุดนี่มันไม่เหมือนกินยาเข้าใช่ไหมกินยากินเข้าไปปากป๊อปแล้วเดี๋ยวยามันจะทำงานให้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเคี้ยวเกินเคี้ยวเกินไปจนกว่าจะอิ่ม กลับอขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะว่าเวลาเร า, อามองหรือตีความคําว่าพอดีอะค่ะพระอาจารย์เวลาเรานํานไปใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะถ้าเรายังเป็นคนที่ยังต้องทํางานอยู่เนี้ยค่ะพระอาจารย์เราเราจะดูยังไงว่าเราอยู่ที่จุดสมดุลของคําว่าพอดีอะค่ะเพราะถ้าในการทํางานถ้าพอดีของบางคนเขาอาจจะไปสร้างเหมือนเป็นภาระ ให้ให้คนอื่นถ้าถ้าเป็นในชีวิตการทางานะคะพาอาจารย์รบกวนขอคำแ น, นำะนาด้วยค่ะก็คือพอดีกับงานของเรานี่ยพอดีกับความต้องการของเรา เ, เราต้องการเท่าไหร่เราก็พอได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็พ อ, เ, อ, อเราก็ไม่ต้องการมากกว่านั้นหรือถ้าได้มากกว่านั้นเราก็เอาไปทำบุญเสียเพราะถ้าเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะล่อใจให้เราอยากจะได้เพิ่มมากขึ้น เราต้องคอยควบคุมความต้องการของเราให้มันพอกับความความเป็นจริงความเป็นจริงสมมติว่าเราต้องมีเงินใช้เดือนละหมื่นถ้ายังไม่ได้หมื่นก็หามันให้ได้หมื่นพอได้หมื่นแล้วก็จะหยุดก็ได้อหรือถ้ามันยังหยุดไม่ได้แล้วได้เกินมาก็เอาอที่เกินนี้ไปทําบุญเสียอย่ า, อาไปใช้กับอของฟุ่มเฟือยต่าง อย่าไปใช้กับอบา ย, ยามุขใช้กับความอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราติดแล้วเราจะต้องใช้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆให้เราต้องคอยควบคุมปริมาณของรายได้ของเราให้มันพอเพียงกับรายจ่ายของเราแล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งเก็บไว้สำหรับวันข้างหน้า น, นี้ก็เป็นเหมือนซื้อประกันก็เก็บได้แต่เราไม่ไปไม่เอาไปใช้ในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย เก็บไว้สำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าเราตกงานหรือเราไม่สบายเราก็จะได้มีอะไรมาใช้ได้อย่างนี้ก็เก็บได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอบางทีเดี๋ยวไปโลภกับการเก็บเก็บมันเยอะๆเก็บมันไปมากๆเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็เตเก็บพอประมาณหรืออาจจะแบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปทาบุญส่วนหนึ่งเพื่อจะได้ คลายความโลภให้มันเบาลงไปคำามอีกอีกหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์ที่ที่ถามคำถามมักครูวอาจจะเชื่อมโยงกับเวลาเราทำงานนะคะพระอาจารย์เรารู้สึกเวลาเราทำงานเราต้องทุ่มเทเราผิดชอบแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์บางทีเลยแยกไม่ค่อยออกว่า สุดท้ายแล้วเราทำไปเพื่ออะไรแต่เรารู้หนึ่งนี้นันคือคือด้วยความรับผิดชอบที่เราต้อ ง, ต, องต้องทําอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เราต้องรู้เป้าหมายของการทํางานของเราเราทําเพื่ออะไรเป้าหมายหนักก็เพื่อรายได้เมื่อเมื่อรายได้เราก็ต้องกําหนดเป้าหมายของรายได้ที่เราต้องการแล้วเวลาเราทําก็ทุ่มเทให้เต็มร้อยไปเลยเพื่อให้เราได้ได้รายได้ที่เราต้องการพอเราได้แล้วเราก็ควรที่จะหยุด แทนที่จะทำงานแบบหามลุ่งหามข้ามพอเราได้เป้าหมายของเราเราก็หยุดแต่จะหยุดได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำเองถ้าเราทำกับบริษัทเขาคงไม่ให้เราหยุดนะงั้นเราอาจจะต้องมาทาของเราเองหรือไม่เช่นั้นเราก็ทำกับบริษัทไปแล้วก็สะสมเงินไว้ให้มันไม่มีพอเพียงที่เราจะออกจากงานนี้ไปได้ และเราอาจจะไปเปลี่ยนงานแบบที่เราสามารถควบคุมปริมาณการทํางานของเราให้อยู่ในขอบที่เราต้องการก็ได้อย่างนี้แต่ถ้าเราทํากับบริษัทที่เขาบังคับให้เราต้องทําเราก็จะไม่สามารถที่จะอควบคุมปริมาณการทํางานของเราได้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอาชีพอิสระไป เวลาต้องการทำก็ทำเวลาไม่ต้องการทำก็ไปปฏิบัติทำดีกว่าเอาเวลาไปสร้างธรรมะดีกว่า อันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนรายอาชีพไปก็มีลูกศิษย์ที่มามาฟังเทศฟังธรรมนี่เขาก็เปลี่ยนอาชีพกันหลายคนนะเคยทำงานจำแบบแหามลุงหามค่ามําเขาก็หยุดมาทำเป็นอาชีพพิสระหรือออกจากงานเลยพอเขาเก็บเงนินเก็บทองได้ก้อนหนึ่งที่เขาพอจะเอามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมได้เขาก็เขาก็หยุดทำงานได้เพราะงานทางโลกทาไปเท่าไหร่มันก็เท่านั้นน่ะ ได้แสนล้านได้หมื่นล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่มีประโยชน์กับจิตใจอยู่ก็ไม่ได้ใช้มันกลับมาเป็นภาระต้องมาคอยดูแลรักษามันอันนี้ไม่ไม่ฉลาดคนฉลาดต้องหาเงินเพื่อให้มารับใช้เราเราอย่าหาเงินเพื่อมารับใช้มันคำถามจากคุณกิตติยา หูป่วยเป็นมะเร็งซึ่งลามไปแล้วหลายที่หมอก็รักษาตามอาการเมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนคนจะบ้าความคิดไหลเข้ามาอย่างน่ากลัวมากๆอยากถามว่าเวลาคนใกล้จะตายสติจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมคะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่อยู่ถ้าฝึกมันก็อยู่น <า S 2> พระเจ้าสอนให้เราหมั่นฝึกสติอย่าประมาท <า S 2> ให้เราถึงความตายตั้งแต่บัดนี้ไป ให้รึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่างนี้แล้วจะมีสติขึ้นมามีมรรนโนสติที่จะคอยควบคุมใจแล้วมาสอนใจให้มาปฏิบัติกับความตายให้ศึกษาว่าความตายเป็นอะไรใครตายใครไม่ตาย าะมีส่วนที่ตายกับส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ตายก็คือร่างกายส่วนที่ไม่ตายก็คือใจใจก็คือเราเราเป็นนายใจเป็นบ่าวกายเป็นบ่าวร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เราเน้นการตายของร่างกายก็คือการตายของคนรับใช้เราเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่เดือดร้อนคนรับใช้เราตายเราเดือดร้อนไห นี่เราไปหลงไปคิดว่าคนรับใช้เป็นเราอะไรเนี่ยเราก็เลยไม่มีสติไม่มีซาตังคงส้านหวาดกลัวไปหมดท้างวับศึกษาให้มีสติมาสอนใจให้รู้ว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่ไม่ได้ตายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้ งั้นเมื่อรู้ว่าใจไม่ได้ตายใจก็ไม่วุ่นวายเมื่อรู้ว่าร่างกายมันจะต้องตายห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปนั่นเองนี่คือวิธีปฏิบัติต้องปฏิบัติซ้อมไว้ก่อนตั้งแต่ยังไม่ตายท่านซ้อมท่านพูดสอนอยู่เรื่อยๆว่าให้ซ้อมตายก่อนตายให้หัดตายก่อนตายพอเราตายเป็นแล้วเวลาตายจริงก็เหมือนเล่นละครเราซ้อมเล่นละครกันก่อนในชะ่ไหม พอถึงเวลาขึ้นเวทีเราก็เล่นไปตามบทที่เราซ้อมมาอันนี้ก็เหมือนกันเราหัดมาตายก่อนที่เราจะตายจริงพอเราตายเป็นแล้วทีนี้เวลาถึงเวลาตายเราก็ทำหน้าที่ของเราไป วิธีที่ทำซ้อมไว้ก็คือทำใจให้นิ่งให้สงบนั่นเองปล่อยวางร่างกายพอพอใจจะไปคิดว่าเป็นร่างกายก็สอนมันไม่ใช่เป็นคนใช้ไม่ได้เป็นเรารปล่อยมันตายไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปใจสงบใจนิ่งแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ไม่เดือดร้อนใจจะปลอดภัยแต่ต้องซ้อมไว้ก่อนต้องซ้อมไว จนกว่าเรามีความมั่นใจไม่กลัวตายพอถึงเวลาตายเราก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปปล่อยให้ร่างกายตายไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันใจของเราก็ตั้งอยู่ในความสงบอใจของเราก็จะปลอดภัย และคําถามต่อของคุณกิติยานะคะคนป่วยเป็นมะเร็งใช้น้ํามันกัญชาในการรักษาผิดศีลข้อห้าไหมคะถ้าเป็นยาไม่ผิดหรอกจ ใ, ใช้เป็นยาสมัยก่อนาก็ใช้มอร์ฟีนฮะนีม่มอร์ฟีนมันอาจจะมีมีโทษตามมามากกว่ากัญชาก็ เ, าเลยเปลี่ยนมาใช้กัญชากันมันก็เป็นยาระงับความปวดแบบหนึง่งทําให้ใจสงบคนสูบกัญชาแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ตั้งเป็น เห็นอะไรดีไปหมดสวยงามไปหมดนี่เกืนี่คือผลที่ได้จากกัญชามันไปบีบประสาทหรือความรู้สึกน้กคิดที่จะทำให้ความเครียดความอะไรต่างมันขายหายไปชั่วคราวแต่มันก็มีผลเสียพอมันบทฤทธิ์มันก็จะทำให้เราเครียดขึ้นมาทันทีแล้วจะทำให้เราติดมัน เวลาเราขาดมันนั้เราจะลาบากยิ่งกว่าตอนที่ไม่มีมันงั้นสู้สู้มาใช้ธรรมะโอสถ ด, ดีกว่าใช้สติใช้สมาธิดีกว่าเพราะเราจะไม่มีวันขาดมันพอเรามีสติมีสมาธิแล้วเราจะสามารถใช้สติสมาธิมารักษาใจเราได้ตลอดเวลาดีกว่าไปใช้กัญชาใช้ยาฝิ่นใช้อะไรต่างๆคําคถามจากคุณสุวพัฒน์ ที่ว่าปฏิบัติเพื่อให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคือใจเรานี่คือผู้รู้ไงแต่ใจของเราตอนนี้ถูกผู้คิดมาคอรอบนำผู้รู้เลยไม่มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองถูกผู้รู้ถูกผู้คิดมาหลอกให้ไปทำนู่นทนํานี่จนกระทั่งทําให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาหยุดผู้คิดเสีย พอผู้คิดหยุดปั๊บก็จะเหลือแต่ผู้รู้พอไม่มีผู้คิดมามามาก่อกวนใจมาก่อกวนผู้รู้ผู้รู้ก็สบายเย็นสบายสุขผู้รู้ก็ตื่นเพราะได้เห็นตัวเองเห็นว่าตัวเองคือผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้คิดเนี่ยผู้คิดพอเกิดผู้คิดขึ้นมาผู้ผู้รู้ก็ไปหลงตอนน้อยว่าตนเองเป็นผู้คิดพอคิดเรื่องไม่ดีก็วุ่นวายไปกับผู้คิดเนี่ย ฉะนต้องหยุดผู้คิดแล้วก็จะได้เห็นผู้ผู้รู้ก็เหมือนกับผู้รู้ได้ตื่นขึ้นมาตื่นจากความคิดความคิดต่างๆพอความคิดหายไปก็เหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ก็เลยเป็นผู้ตื่นพอตื่นแล้วก็เบิกบานสงบสบายมีความสุขนี่คือการทำสมาธินี่เองพอทำสมาธิจิตสงบแล้วตัวผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้เราเห็น คำถามจากคุณจิรนันเมื่อตายไปแล้วดวงจิตจะไปเกิดทันทีแล้ววิญญาณล่ะคะดวงจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรใช้สิ่งเดียวกันหรือไม่เจ้าคะเดียวกันตัวเดียวกันเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจเหมือนคนแต่งงานผู้หญิงเวลามีสามีก็เรียกว่านางพอยังไม่ได้แต่งงานหรือเป็นโสดก็เรียกว่านางสาวอันนี้ก็เหมือนกันคนคนเดียวกันแต่เปลี่ยนสถานภาพ จิตเวลาอยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจพอไม่มีร่างกายอยู่ตามลำพังก็เรียกว่าดวงวิญญาณคำถามจากคุณซ u เปอร์พาวเวอร์ริเป็นพระมีจิตกำหนัดจะทำอย่างไรก็ต้องใช้อสุภะต้องฝึกอาสุภะกรรมาฐาน ต้องหมั่นพิจารณาดูส่วนความไม่สวยงามของร่างกายดูภายในของร่างกายดูกระโหลกดูสีษะกระโหลกศีษะดูโครงกระดูกดูตับดูไตดูลำไส้ดูอุจจลระปัสสวะดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายความกำหนัดยินดีก็จะหายไปต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ตั้งแต่วันบวชนี่เขาสอนตั้งแต่อยู่ในโบสถ์ไให้พิจารณาร่างกายให้พิจารณาดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะได้มาใช้ควบคุมความกำหนัดต่างๆเพราะเราเวลามองเราจะไม่เห็นอวัยวะต่างๆเหล่านี้ เราจะเห็นแต่หน้าเห็นแต่ตาเห็นแต่คิ้วเห็นแต่จมูกเห็นแล้วก็อดที่จะรักจะชอบเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาไม่ได้เราต้องมองเข้าไปลึกเข้าไปกว่า น, นั้นมองเข้าไปใต้ผิวหนังหัดมองหัดท่องอาการสามสิบสองเปิดหนังสือที่มีภาพวาดภาพถ่ายของอาการสามสิบสองให้ดูแล้ว เ, เอาเปนะ็นนึกนลึกอยู่ในใจต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นส่วนอื่นด้วย แล้วความกำนัดมันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้<ำ>สุดท้ายนะคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณปิตาในปัจจุบันนี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู่จริงใช่ไหมครับเราสามารถมุ่งตัดตรงไปนิพพานชาตินี้ได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องรอชาติหน้า คือทางไปสู่มรรคผลนิพพานมันมีอยู่ในมรรคผลนิพพานมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเดินไปทางมรรคผลผนิพพานก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เราก็จะได้มรรคผลผนิพพานเป็นผลที่จะตามมาเอาล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา